เดือนบรรลุธรรมเดือนที่สี่วันที่สี่ไม่ใช่ตัวตนก็ทำตามอำเภอใจได้แล้วเมื่อคืนเอางานมาทำต่อจนเพลียจัดแม้ว่าได้นั่งสมาธิฟื้นกำลังไปบ้างแล้วหลังทำงานเสร็จแต่ตื่นขึ้นมาเช้านี้ก็ยังสลึมสลืออยู่ดีฉันพยายามนั่งสมาธิและเดินจงกรมทั้งครึ่งตื่นครึ่งงัวงเงีย ในความงัวเงียอันหนาแน่นด้วยโมหะนั้นคำถามและความลังเลสงสัยย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นขณะเดินจงกรมรู้เท้ากระทบอยู่ช่วงหนึ่งฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่าที่กำลังรู้กระทบกระทบอยู่เนี่ยสักแต่เป็นความกระทบของรูปสักแต่เป็นผัสสะปรุงแต่งใจเป็นเพียงขันห้าไม่ใช่ตัวเราในเมื่อ น, นี่ไม่ใช่เรา เราจะภาวนาเอาดีเอามักผลไปเพื่ออะไรสู้กลับไปหาแฟนช่วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนกับเธอไม่ดีกว่าหรอวูบต่อมาก็เกิดคำถามที่หนักกว่านั้นนั่นคือธานีไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ขันห้าจะต้องกลัวบาปกลัวกรรมไปทำไมทำแล้วก็สักต่ว่าเป็นกรรมของขันห้าอันว่างศูนย์เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา ไม่ใช่กรรมของฉันต่อให้มีวิบากรออยู่จริงในภพหน้านั่นก็ไม่ใช่ตัวฉันแล้วทำไมฉันจะต้องไปแคร์ตัวตนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนนี้ด้วยหลังจากเลิกเดินจงกรมฉันเกิดความรู้สึกคุ้นๆขึ้นมาว่าเคยเจอพระสูตรที่มีภิกษุสงสัยส่ทำนองเดียวกันนี้เลยเปิดคอมพิวเตอร์ค้นหาด้วยคำสำคัญเช่นกรรมและขันห้า เมื่อได้รายชื่อพระสูตรที่เกี่ยวข้องก็นั่งกวาดสายตาไล่หาทีละสูตรกระทั่งพบปุ่นน้ำมสูตรสมใจสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบไขข้อข้องใจของภิกษุผู้สงสัยในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับขันห้าในตอนท้ายมีภิกษุรูปหนึ่งฝังละคิดสงสัยเหมือนกับชั้นเปียบเนื้อความคือถึงเวลานั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความปริวิตกขึ้นมาในใจว่าจำเริญละเท่าที่ฟังพระผู้มีพระภาคตรัสมานี้เป็นอันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาทำแล้วจะมาดวนตัวเราได้อย่างไรทันทีนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงทราบวาราจิตของภิกษุรูปนั้นด้วยพระหารุตไทจึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายกว้าง โดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้มีความไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาใจมีความทยานอยากเป็นหลักเขาสําคัญคําสั่งสอนของเราด้วยความสะเพร่าแล้วคิดว่าจำเริญหลักเท่าที่เราว่ามานี้เป็นอันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา กรรมที่อนัตตาทมแล้วจะมาโดนตัวเราได้อย่างไรเราจะขอสอบถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้แนะนำพวกเธอในธรรมเกี่ยวกับขันห้าแล้วแล้วพระพุทธองค์ก็เริ่มตรัสถามธรรมะอันสำคัญที่ชวนให้ตรึกตามลำดับและเห็นตามจริงจนภิกษุในครั้งพุทธกาบลบรรลุมรรคผลกันมานักต่อนักพระศาสดาตรัสถาม พวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือสุขละ่ะเหล่าภิกษุตอบเป็นทุกพระเจ้าค่ะพระศัจดาตรัสต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่ น, น, นอัตตาของเราเหล่าภิกษุตอบไม่ควรเลยพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสต่อไปว่าพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเหล่าภิกษุเป็นทุกข์พระเจ้าค่าพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่น อ, นอนัตตาของเราเหล่าภิกษุตอบไม่ควรเลยพระเจ้าค้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ พวกเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามอยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีต ก, ก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเราหมายเหตุสำหรับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสโดยเนื้อความเดียวกันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัด เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดี และขณะพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสววยากรณ์ศาสตนี้อยู่ภิกษุประมาณห0สิบรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องหมักดองในขันธสันดานเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นอ่านแต่ละคำแต่ละประโยคแล้วใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดติติเบิกบานด้วยความเชื่อมั่นว่าได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าจริงๆ แม้พระองค์จะไม่ตอบคำถามเป็นเชิงตรงแต่จิตที่น้อมรับธรรมะอันแจ่มแจ้งก็รู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรหากเข้าใจจริงๆแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนแม้แต่อย่างเดียวก็จะไม่มีผู้คิดว่ากรรมทาแล้วย่อมไม่มาโดนตัวเรามีแต่จิตที่เป็นอิสระจากอุปาทานเบิกบานอยู่เปิดเผยอยู่เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง โดยปราศจากความสำคัญมั่นหมายว่าความร้อนเป็นกรรมของเราความเคลื่อนที่ไปให้ความสว่างแก่โลกคือกรรมของเราแต่ถ้าเกิดอุ ป, ปาทานขึ้นมาเสียแล้วว่ากายนี้เป็นของเราก็ย่อมสงสัยไปเรื่อยว่ากรรมทำแล้วมีผลหรือไม่มีผลกับตัวเราแท้จริงการเว้นจากบาปอากุศลนั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดผลเป็นสภาวะทุกข์ เพราะยิ่งทุกข์ก็ต้องยิ่งมีแรงอุปาทานในทางลบเพิ่มขึ้นบทบางสัจจะความจริงยิ่งยิ่งขึ้นและการบรรลุธรรมก็ไม่ใช่เพื่อตัวตนของใครแต่เพื่อหยุดวงจรทุกข์ไปอีกหนึ่งหน่วยเท่านั้นขอให้เข้าใจแจ่มแจ้งตั้งแต่ในระดับการรับฟังและคิดตามจริงๆเธอว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือโดยย่นย่อคือกายใจนี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือต้องแปลปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนการเฝ้าตามเห็นเป็นขณนะขณนะย่อมไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีหรือไม่มีตัวตนอีกเลยฉันได้คำตอบที่ทำให้เกิดความอิ่มเอิมเปลิมใจหายสงสัยสมกับที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่า จะยกพระพุทธองค์เป็นครูจะฟังท่านเป็นหลักการได้คำตอบที่คาใจในหลายตอนหลายครั้งคือความคืบหน้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆฉันว่าเผลอๆคนยุคเราจะได้เปรียบคนสมัยพุทธกาลอยากรู้อะไรก็เปิดคอมพิวเตอร์คีย์หาคำที่ต้องการเอาคนยุคพุทธกาลซะอีกบางทีอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับพระพุทธองค์บางทีอยู่ในป่า ไม่มีโอกาสเจอภิกษุในพุทธศาสนาหรือบางทีพบเพียงพระภิกษุสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาที่ไม่รู้รอบตอบได้ทั่วถึงในพุทธพจน์ทั้งปวงและหากมีโอกาสฟังพุทธพจน์น้อยไหนเลยจะแก้ข้อสงสัยได้หมดสิน้นวันนี้ทํางานค่อนข้างหนักและยังไม่มีความคืบหน้าทางการภาวนามากนัก แค่หายสงสัยเรื่องขันเท่านั้นตั้งใจว่าพรุ่งเนี้ยวันเสาร์ช่วงครึ่งวันหลังจะขับรถออกต่างจังหวัดไปหาวัดสงบๆเพื่อนั่งสมาธิอีกมีพิเศษกว่าเคยคือตั้งใจว่าคราวเนี้ยจะไปค้างคืนและกลับกรุงเทพในเย็นวันอาทิตย์แทนที่จะไปนั่งเดียวๆและกลับเลยอย่างที่ผ่านๆมา